บอกว่าเมื่อสมัยที่มนุษย์อายุประมาณ6ปีหมื่นปีนั้นภาษาสาะระภาษาสดาพระนามว่าเวสภนะูเทพบเจ้าผู้พิชิตเขาอ่างนั้นนะครับเทวดาผู้มีชัยชนะพระองค์นั้นถือว่าเป็นผู้ครอบงําโลกทั้งปวงถือว่าครอบงําด้วยเดชแห่งคุณทั้งหลายเนี่ย น, นะเรียกว่าผู้มีบุญมาเกิดอย่างนั้นนะเพราะพระองค์ก็ได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเพราะอะไรเพราะพระองค์สร้างบารมี 10อุป ป, รปารมี10โดยทั่วๆไปก็จะยกหมวด10ขึ้นมาพูดนะหมวด1หมวด2หมวด3มหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวดอื่นๆก็ชื่อว่ากล่าวแล้วพันก็กล่าวถึงปุกพระจริยาคุณทั้งหมวนที่ท่านกระทำมาเสร็จแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครบถ้วนอายุ576ล้านปีเทวดาก็มาราธนาให้ถือปฏิสนธิในพระคันของพนางยสาวดีผู้มีศีล ซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุปตีตะ น, นะพระองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรงเนี่ยนะก็คือใคร ก, ใครก็ใครก็เกรงพระราชาพระองค์นี้มากมีอำนาจมากณนะกรุงอโนมะอยู่ในพระคันกําหนดครบถ้วนทศมาศเน่นะก็แต่ก็อย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในชาติสุดท้ายนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอย่างลงสู่คันพระมารดา เพราะขณะที่จุติปฏิสนธิในครันของมานานะแสงสว่างในหมื่นโลกาธาตุก็เกิดขึ้นบุพนิมิต32อย่างก็เกิดขึ้นและอยู่ในครันอย่างมีสติสัมปชัญญะท่านรู้ตัวตลอดว่าตอนนั้นนะ่ะท่านอยู่ในครันนะไม่เผลอเลยนะว่าเออตอนนี้สลบสไลด์แบบแบบเด็กทั่วๆไปสลบสไลด์อยู่ในคันแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในคันไม่ท่านรู้นะว่าท่านอยู่ในคภนนะแล้วมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากคัน รู้ตัวตลอดเหมือนกับว่าคลอดเมื่อนไรเหมือนกับคนเดินลงบันไดรู้ตัวไหมชั้นใดพระโพธิสัตว์ตอนที่คลอดท่านก็รู้ตัวฉั น, นั้นแล้วก็พอคลอดออกมาปั๊บก็มีเทวดาช่วยกันดูแลท่อน้ําท่อไฟไหลจากอากาศก็ช่วยกันอาบล่ารถเสร็จแล้วท่านก็เดินแต่ร่างกายก็ไม่แดเปื้อนนีผิวพรรณเนี่ยประดุดทองระวังกังงนไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําอะไรสักอย่างเลยก็ประดุดทองพระโพธิพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่ต้องล้างมือก็ได้ ไม่มีฝุ่นละอองมาแปดเปื้อนนะนะผิวละเอียดบริสุทธิ์ขนาดนั้นและพระองค์ก็เสด็จพุทธดําเนินมนั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอยู่ในครันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการประสูติจากพระคันนะนะเสร็จแล้วก็พอพระองค์ประสูติเท่านั้นก็ปกติแล้วพระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องแป่งอาสพิวาจาที่ว่าอโคโหมะสมิเชตโศเศโโโลกัสายะมันตินัติชานิปุณณัติชาณิปุณพโวเนนะ ก็ที่บอกว่าเสียงของพระองค์เนี่ยบรรลือเหมือนเสียงโคอาสัพะโคโคหัวหน้าฝูงแล้วมันเวลาโคมันร้องอ่ะนะนะมันก็เลยมีเสียงเหมือนโคโคอุสสพะเพราะฉะนั้นในวันเฉลิมพระนามก็เลยช่วยกันเรียกขานว่าเวสภูเพราะที่ร้องเหมือนเสียงโคนะเรื่องโคโคตัวจ่าฝูงโคหัวหน้าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะ พระองค์นั้นครองคารวะวิสัยอยู่6000ปีมีปราสาทสามหลังสุจิสุรุจิและรติวัฒนะพะสนม์กำนันประมาณสามหมื่นนางมีพระนางสุจิตตาเทวีเป็นประมุขเมื่ออยู่ได้ประมาณ6000ปีนั่นแหละจึงมีพระโอรสชื่อว่าสุปปพุทธกุมารพระราชโอรสของพระนางสุจิตาเทวีก็สมภพพระองค์ก็เห็นนิมิตทั้งส เสด็จประพาสอุทยานด้วยพระโวทองทรงรับผ้าการสายะที่เทวดามาถวายตอนที่นั้นน่ะนะก็ทหารที่ติดตามองครักษ์นั้นน่ะตอนที่ไปเที่ยวอุทยานเนี่ยประมาณเจ0 0 0มื่นะพวกอื่นๆด้วยนะพวกนี้บวชตามเสด็จหมดครั้งนั้นพระองค์อันบันปะชิตเหล่านั้นเวดล้อมบำเพ็ญเพียรอยู่หเดือนบำเพ็ญเพียรคือรวบรวมโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายใช้เวลาหเดือน วันวิสาขบูรีพระองค์ก็บริโภคเสวยข้าวามาทุก ป, ปายาติที่พระพี่เลี้ยงชื่อว่าสิริวัฒนาผู้ปรากฏตัวณนะสุจิตตนิคมถวายแสดงว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะบวชแล้วก็ยังตามไปคอยดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันก็เลยถวายข้าวมาทุกปลายาติพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณนะสวนสารวันเวลาเย็นก็รับญ้า8กรรมที่พญา น, นาคชื่อว่านรินทะถวาย พญานาคเลื่อมสายมากเอาญ้าไปถวายเลยที่นั่งอ่ะนะพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโพพฤกต์ต้นไม้ที่ตรัสรู้หรือต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญโพที่ปัจยธรรมอย่างเต็มบริบูรณ์ชื่อว่าต้นสาระแลด้านทิศทักษิลของหมู่บ้านนั้นอ่ะนะสาระต้นนั้นมีขนาดเท่าต้นปาลตลีคือต้นแคฝอยนั่นแลดอก ดอกผลเสรีสมบัติก็เพิ่งทราบอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโคนต้นสาละโปรองคล่าสันทัศที่นั่งที่ทําด้วยหญ้าประมาณ4ี่อบประทับนั่งขัดสมาธิพระองค์ก็ทรงได้อนาวรณายานอนาวรณายานก็คือยานสุดท้ายในอะไรในอาสาธารณายานทั้งหก็แสดงว่ายกนับหกเกวันนับหเลยนะก็อนาวรณญ า, านสัพพัญญุตยานมหากรุณาสมาบัติยาน ยมมามกะปาติหาริย า, ยานอินตริย์โปรปริยัติยานอาสยานุสยายานก็เก็นับหกไล่ถอยขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อพระองค์ได้ยานที่ปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้ามองทั้งมวลห้ามการความเมาในกามทุกอย่างหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แป่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันดาวิสังอา น, นิพิสังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งบริเวณต้นโพพฤกนั่นแล7สัปดาห์ สัปดาห์ที่8ปท้าวมหาพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของโซน ก, กุมารและอุตตรากุมารพักนิจตะภาดาคือน้องต่างแม่ของพรอนนะองค์ก็เสด็จไปยังอากาศลงที่อรุณราชจุทยานใกล้กรุงอนุปมะพระองค์ก็ให้พนักงานเฝ้าราชจุทยานไปอัญเชิญกุมารมาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรหมายคนมีบุญเนี่ยสะสมบุญมาดีสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเนี่ยนะ แม้กาลังเที่ยวอยู่ในวังสบายเขาเรียกไปบรรลุได้อะอนะเขาบอกก็ไปเรียกเข้ามาทีที่เหนนะคนเฝ้าสวนก็เรีบไปเชื้อเชิญบอกพระพุทธเจ้ารับสั่งเข้าเฝ้าไปบรรลุเลยเนี่ยนะแม้คนมีบุญก็อย่างเงี้เยเราอยู่ที่ไหนเขาก็เรียกไปบรรลุได้แต่ถ้าหมดบุญเนี่ยยากจริงเลยนะคนไม่มีบุญเนี่ยแม้ไปเที่ยวหาท่านอยู่ที่ไหนบอกนม่พานแล้วไงนะบุญน้อยก็อย่างงี้แหละแต่แต่ว่าสอ ง, ององค์เนี่ยนะมีบุญมากพระองค์ก็เลยประกาศพระธรรมจักร ให้สองกุมาณพร้อมทั้งบริวารสมัยนั้นมีผู้ที่ตรัสรู้หลังจากที่พระองค์ประกาศอริยสัจนั้นแ0ดหมื่นโกฏต่อจากนั้นมาอีกพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จจาริกไปในชนบทก็แสดงธรรมะโปรโดชนบทถิ่นนั้นๆตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามหมู่บ้านต่างๆสมัยที่พระองค์เสด็จจาริกเพื่อโปรโดสั์มีผู้ตรัสรู้ประมาณ 70,000 โกฏอันนี้เป็นครั้งที่สอง ส่วนครั้งที่สพระองค์ทําทลายขายคือมิจฉาทิฐิที่หกสิบสล้มทงคือมิจฉาทิฐิล้มทงคือมานะของบวกเดรธีด้วยกําจัดความเมาเมาในลาบยศสการะสรรเสริญเมาด้วยอํา น, นาจมานะพระองค์ก็ยกทงคือโพธิปักิยธรรมขึ้นโดยทรงธรรมยะมะกะปาติหารเพราะฉะนั้นมนุษย์บริษัทกว้างประมาณ90โยตเทวะบริษัทประมาณไม่ได้ณนะกรงอนุปะมะนั่นเองพระองค์ก็ยังเทวดาและมนุษย์ให้เลื่อมใส พระองค์ก็ยังสัตหกหมื่นโกฎให้อิ่มด้วยอมตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าในพุทธวงให้ภาษาริบุตรฟังว่าในมันดกับนั้นนั่นเองพระผู้นำโลกพนาว่าเวสภูผู้ไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเทียบเคียงก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทราบว่าโลกสามถูกการมราคะ ถูกราคะไม่แล้วเป็นถิ่นของตัญหาพระองค์ก็ตัดเครื่องพันธนาการดุดพญาช้างพระองค์บรรลุสัมโพทิยาณอันสูงสุดพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้นำโลกประกาศพระธรรมจักรอันนี้เป็นมีผู้ตรัสรู้ครั้งที่หนึ่งแปดหมื่นโกดเมื่อพระโล ก, กะเชศผู้นำโลกองคอาจในหมูน่นรชนเสด็จหลีกจาริกไปในเว่นแขวนการตรัสรู้ทำครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์เจดหมื่นโกด ส่วนครั้งที่สามบอกว่าเมื่อพระองค์บันเทาที่ทีหยางใหญ่หลวงของเดรธีทำยะมะกะปาฏิหาริมนุษย์และเทวดาในหมื่นโล ก, กธาตุในเทวโลกก็มาประชุมกันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นมหาสจรัร์ไม่เคยมีหน้าขนลุกชูชันเลยนะก็ตรัสรู้ธรรมถึงหกหมื่นโกธสำหรับการแสดงปาติโมกเนี่ยนะกล่าวว่าพระเวสสุูุถเจ้ายกปาติโมกขึ้นแสดงในวัน มาคะบปุรมีในถ้ำกลางพรอาอรหันแปด0 0ื่นโกรธที่แห 0,000 รูปที่บวชในสมาคมของพระโสนาและพระอุตระคู่อักขระสาวกอันนี้เป็นประชุมสันิบาตสาวกอาหารหันครั้งที่1่ส่วนครั้งที่สองก็มีพิสูจน์จำนวน 7,000 0ื่นที่บวชพร้อมกับพระเวสสภูผู้ครอบงำโลกที่พากันหลีกไปคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะวันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเนี่ย ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยผู้ที่คอยบำรุงต้องหลีกออกไปหมดเนี่ยนะพระองค์จะได้มีเวลาเงียบอยู่แต่เพียงผู้เดียวแล้วพิจารณาอริยสัจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภิกษุเจ็ดหมื่นรูปเหล่านั้นสดับข่าวการประกาศพระธรรมจักรของพระเวสสุูสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันมายังนครโสรยะก็ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงคำโปรดพระภิกษุเหล่านั้น ครองให้พระพิสูจน์เหล่านั้นบวช ด, ด้วยเอหิพิกุบันประชาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทที่ประกอบไปด้วยองค์4อันนี้เป็นการประชุมสันนิบาตอริยสาวกอรหัน์ครั้งที่สองอันหนึ่งครั้งราชบทพระนามว่าอุปสรรต์เนี่ยนะก็คือบุตรของพระพุทธเจ้านั่นแหละขึ้นครองราชในกรุงนาริวาหันะแสดงว่าพระอุปสรรตะนั้นอ่ะอย่างพระราหุลเนี่ยแม่ให้ไปขอสมบัติตอนอายุ7ขวบใช่ไหม ขอโลกิยะสมบัติพระองค์ก็เลยให้โลกุตระสมบัติจับบวชเลยนะก็ในที่สุดก็เป็นพาาาระอรหันจแต่สําหรับอุปสรรต่างนั้นก็อยู่จนได้ครองราชสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปในนครนั้นเพื่ออนุเคราะห์พระราชบุตรนะนะก็คือพุทธบทุตรนะนะแม้ราชบุตรนั้นทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมบริวารก็เสด็จต้อนรับพระองค์ก็เออก็ นิมนต์ถวายมหาทานสดับพระธรรมของพระองค์ก็มีเลื่อมใสายใจออกบวชก็บวชพร้อมกับบุตรหกห0ื 60, น่นคนนะนะก็บวชตามเสด็จพิสูจเหล่านั้นก็บรรลุพระอราหันต์พร้อมกับราชบุตรพระองค์เขอาไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเวสภูอันพิสูจนเหล่านั้นเวดล้อมก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงครั้งที่สก็มีผู้บรรลุห0 0 0ืครั้งแรก 80,000 ่นครั้งที่ 270,000 ่นครั้งที่3 6 0,000 ื่น เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชมพระสาวกขีนาสพผู้ร่มนทินมีจิตสงบคงที่ตั้งมั่นครั้งแรก8 0ดหมื่นครั้งที่สอง0 0 0ื่นครั้งที่ส6 0ห0หมื่นซึ่งเป็นผู้พ้นจากภัยมีชราเป็นต้นผู้เป็นโอรสของพระเวสสภูพุทธเจ้า ส่วนสําหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะที่ทำบุญเวียนไหวาตายเกิดท่องมาในวะะัฏฏะจนถึงเมื่อสามสิบกัปที่แล้วเนี่ยนะก็ครั้งก่อนก็ได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตอนหลังผ่านมาก็ยังได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูอีกมันตอนนั้นพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุาทัศนะเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าดูงดงามอย่างยิ่งณนะักกรงสารภาวดี เมื่อพระเวสสุผูปุถุเจ้าผู้นำโลกเสด็จถึงกรงสารพระพระโพธิสัตว์ก็ฟังข่าวได้สดับธรรมของพระองค์ะนะก็คือได้ฟังกิติศักด์อันงามของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปฟังธรรมหลังจากฟังธรรมก็มีใจเลื่อมใส ย, ยกอัญเชลีอันรุ่งเรืองด้วยท่าศานัขาสโมโธทานท่าศาแปลว่าสิบนักนะก็คือนัขานัขาก็แปลว่า นิ้วหรือเล็บเนี่ยนะสโมโภชามแล้วว่าการประชมการประชุมนิ้วมือทั้งสินะเหมือนดอกบัวตูมที่เกิดในน้ําไม่มีมนทินไม่วิกลบกพร่องเอาไวเ้เหนือเสียนก็เราว่ายท่วมไม่ใช่ไหว้แบบนี้นะอันนี้ว่ายแบบนี้เรีกว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าแบบนี้นะเหนือเสียรก้มลงแล้วก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็ถวายมหาทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ถวายอาหารเสร็จแล้วถวายพระไตรเป็นต้นเนี่ยนะสร้างพระคันธกุฏีเพื่อให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนคร น, นั้นเสร็จแล้วก็สร้างวิหารสร้างกุฏิเพิ่มพูนอีกพันหลังล้อมพระคันธกุฏีนั้นนะสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างกุฏิในบริเวณวัดอีกพันหลังบริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เสร็จแล้วก็บวชณสัมนักของพระองค์ก็เรี ว, ว่าให้ทานรักษาศีลก็คือบวช ด, ด้วยพึงพร้อมด้วยอาจารชคุณแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติขัดเกลา้าเรียกว่าทุดดงข้คุณทุตา่าแปล ว, ว่าขัดเกลา่านั่นเองยินดีในการสแสวงหาโพธิสมภารแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีใจยินดีในพุทธศาสนามีใจยินดีใน อธิศินอธิจิตและอธิปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูก็พยากรพระโพธิสัตว์ว่าในอนาคตการ31มสกับนับแต่กับนี้นะพระภิสุรูปนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะไม่ใช่รีบพยากรเลยนะหมายว่าเห็นท่านประพฤติข้อวัดปฏิบัติเต็มที่แล้วค่อยพยากรพระพุทธเจ้านี้เป็นการรันอยู่บุคคลรู้เวลาที่จะ พยากรณ์ไม่ใช่ไปเที่ยวพยากรณ์พูดบอกไปพร่ำเพื่อไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังในพุทธวงว่าในสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าสุทัศนะนิมนต์พระมหาวีระเจา้าพระองค์ผู้เกล้ากล้าถวายทานอย่างสมควรอย่างยิ่งเพื่อบูชาพระชินนพุทธเจ้าทำบุญถวายทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิสูจสงส์ด้วยข้าวน้าผ้า พระโพธิสัตว์ได้สดับพระธรรมจากอันอุดมประนีที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นประกาศแล้วก็ชอบใจในการบัรปชาเพราะอาริย ส, สัจสีเนี่ยนะมัก ส, สัจจานั้นสรีระร่างกายที่คู่ควรกับการเจริญอริยมรดยมากถ้าอินทรีไม่แก่กล้าการบวชนั้นถือว่าสำคัญแต่ถ้าอินทรีแก่กล้าบารมีแก่กล้าก็ไม่ค่อยมีปัญหา พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญมหาทานไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์ก็ทราบว่าการบรนประชานี่พรั่งพร้อมหรือเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทุกอย่างจึงบรประชานในสำนักของพระชินะพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นถึงพร้อมด้วยอาจารยคุณตั้งมั่นอยู่ในวัดศีลแสวงหาพระสัพพัญญุตยานยินดีในพระศาสนาของพระชินะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์นั้นเข้าถึงศรัทธาและปีติถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาพระองค์นั้นเกิดปีติเพราะเหตุแห่งโพธิญานนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวเวสสภูรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีจิตไม่ท้อถอยก็พยากรผู้ทัพยากรว่านับแต่กลับนี้ไปสามสิบอดกัปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดก็ดังที่เราทราบนะนะทนพระโพธิสัตว์นั้นก็ ได้ฟังพุทธดํารัสว่าบาเพ็ญอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติในการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวเวสภูนั้นเนี่ยนะพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่าอนโนมะพุทธบิดาพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุปฏิตะพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางยศสวดีพระเวสภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระโซณะและพระ อุตระพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอุปสรรตมีพระอัคระสาวิกาชื่อว่าพระรามาและสมาลาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาสาละมีอัคระอุปถากชื่อว่าโสติกะและรัมมะอัคระอุปถายิกาชื่อว่าโคตมีและสิริมาพระเวสสภูพุทธเจ้านั้นสริริลักของพระองค์สูงประมาณ60ศอก อุปมาเสมอด้วยเสาทองเห็นเสาทองก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวสภูพระองค์มีรัศมีแล่นออกจากพระวรากายเหมือนดวงไฟบนยอดเขายามราตรีใครเคยคิดว่าตั้งสปอตไลท์ให้สว่างรุ่งเรืองบนยอดเขาอะนะสว่างกลมๆใสสว่างฉันใดแต่ว่าสปอรไลท์โดยทั่วไปมันสีเดียวไมพระองค์เนี่ยหกสีแล่นสว่างสวออกไป พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวเวสภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นพระองค์มีพระชนมายุหกหมื่นปีพระองค์ก็มีทรงพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานถึงเพียงนั้นจึงยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะพระองค์และพระสาวกทรงยังธรรมะให้ขยายออกไปพระองค์ช่วยธรรมะให้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นที่รู้กันในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จำเนกมหาชนแจกแจงมหาชนทรงตั้งธรรมะนาวาเสร็จไว้แล้วก็เสด็จดับขันปรินิพานบทว่าวิภัชิตวาเนี่ยวิภัชจิตวาแปลว่าการจำเนกพระองค์จำเนกบุคคลพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมไม่ใช่ว่าแสดงไปเรื่อยบอกไม่ใช่พระองค์จำเนกบุคคลกลุ่มนี้กลุ่มผู้ตรัสรู้กับไม่ตรัสรู้นี่แจกก่อน ตรัสรู้กับไม่ตรัสรู้เป็นสองกลุ่มไม่ต้องสนใจพวกที่ไม่ตรัสรู้เอาไว้ก่อนยังไม่เก็บ ม, มาคิดพิจารณาพวกที่จะพอตรัสรู้พวกที่พอตรัสรู้นี่ก็มาแบ่งกลุ่มอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยะบุคคลแล้วก็มาแบ่งว่าอุคติตันยูราคะจริตอุคติตันยูโทสะจริหรือโมหะพุทธิจริศัทธาเจริตเป็นต้นเนี่ยนะ แล้ว่ามาแบ่งจริตตามพวกอุคติตัญยูวิปัญจิตันยูแล้วก็มาแบ่งว่าธรรมเทศนาหมวดเหล่าใดเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าจำแนกบุคคลแล้วก็รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นบางพวกได้แค่ได้ระดับโสดาบานันบางพวกถึงขั้นสกอาทาคามีบางพวกถึงระดับอนาคามีบางพวกเป็นรรพระอรหันต์พระองค์ก็จำแนกทั้งบุคคลจำแนกทั้งทั้งบุคคลโดยก่อนจะตรัสรู้ตามจริตและคุณธรรมที่เขาควรจะได้ พระองค์ก็ตั้งธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นเรือข้ามฟากจากวัตตะสูวิวัตตะจากวัตตะสูวิวัตตะด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อข้ามออกจากโอคะคือทะเลห้วงน้ําที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากกามโมฆะที่โถคะพะโวคะและอวิชโชคะเนี่ยนะ หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมบำเพ็ญพุทธกิจพระองค์ด้วยพระสาวกด้วยชนเหล่านั้นทั้งหมดรวมทั้งพระวิหารตลอดจนถึงอิริยาบถเป็นต้นที่น่างดงามน่าดูสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลก็ล้วนแต่อันตรธานหมดสิ้นไปสังคานทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นะเหลือแล้วนอะกลับผ่านไปถ้าไม่อ่านพุทธวงศ์ไม่อ่าน มหาประทานสูตรเป็นต้นเนี่ยไม่รู้อะพระพุทธเจ้าสิขีนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเขาบอกว่าพูดถึงอดีตนึกถึงประวัติตัวเองได้นิดหน่อยนะถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มาก็อาจจะเรียนรู้ค่าสักร้อยสองร้อยเรียนแล้วแต่ประวัติศาสตร์เมืองไหนใช่ไหมถ้าเรียนประวัติศาสตร์เมืองเมืองกรุงเทพก็สักสองรอปีประวัติศาสตร์ อะไรนะกรุงธนบุรีก็มากกว่านั้นอยุทยาก็มากกว่านั้นลบบุรีสุขโขทัยเป็นต้นก็ยาวกว่านั้นศึกษาประวัติศาสตร์ของลุ่มต่างๆก็จะยาวไปตามนั้นแต่ถ้าศึกษาตามพุท ธ, ทธคุณทั้งหลายพุทธวงศ์ทั้งหลายก็ระลึกถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้าอะไร พระพุทธเจ้ากับกูสันทะลอยถอยไปจนถึงพระพุทธเจ้าเวสภูสิกขีพระพุทธเจ้าวิปัสสีถอยหลังไปหาพระพุทธเจ้าปุตสัพระพุทธเจ้าติดสะถอยหลังไปเรื่อยๆอยงไงถ้าเรียนพุทธวงศ์ก็จะถอยถอยถอยหลบไปก็จะรอบรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านไปอันเนิ่นนานก็ระลึกถึงอดีตได้อดีตก็ไม่โล่งไม่ว่างไม่เปล่าก็จะระลึกถึงว่าอดีตก็มีพระพุทธคุณเนี่ยนะอดีตก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้า อนนั้พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าพิจารณาอนาคตต่อไปก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรเป็นต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์มันนึกถึงอดีตก็นึกเห็นคุณพระัตน์ตรายนึกถึงอนาคตก็เห็นคุณพระรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงพ้นผ่านมาแล้วด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีต่อต่อไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ใน ปัจจุบันนี้ด้วยพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนึกถึงอดีตก็เห็นพระรัตนตรายและลึกถึงอนาคตก็เห็นพระรัตนตรัยปัจจุบันนี้ก็เห็นคุณของพระรัตนตรยัยศรัท ธ, ธาก็จะมั่นคงและไม่หวั่นไหวจะไม่สงสัยพระรัตนตรายนอดีตไม่สงสัยในพระรัตนตรัยนอนาคตไม่สงสยัยน พระัตนตรัยในปัจจุบันก็จะเข้าใจความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันไหลต่อไปในอนาคตก็จะข้ามความสงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยว่าผู้ที่เข้าตรัสรู้นั้นตรัสรู้ได้ด้วยบุญแท้ก็จะรู้กรรมรู้ผลของกรรมอนาอติดกรรม ทำกรรมมาในอดีตให้ผลในอดีตให้ผลในปัจจุบันและจะให้ผลในอนาคตกรรมที่ทำในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันอาจารย์และให้ผลต่อไปในอนาคตถ้ากรรมที่จะทำในอนาคตก็จะให้ผลในอนาคตเชื่อมโยงกรรมและผลของกรรมเป็นกรร ม, มวัดวิปากวัดอ น, นะนะ กิเลสสวัดิที่ตัวเชื่อมโยงเข้าไปก็เห็นว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยนะให้ผลออกมาเป็นชาติชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาที่สุดแห่งพบชาติที่สุดแห่งการเกิดก็อยู่ที่ชรามรณะโสกาะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตมันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เจริญอนุปัสนาพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกาหนดจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นปฏิบัติจนได้ตรัสรู้รมเป็นที่ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารและดับวิญญาณพ้นจากวัฏฏะสงสารเนี่ยนะตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูนั้นพระศรีระ ส, สารีริกระธาหรือกระดูกของพระองค์นะสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะสำหรับของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเกสา โลมาคือขนแล้วก็หนาขาเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้ว่าเล็บเนี่ยเหลือไหมเนี่ยนะก็คือผมเนี่ยเหลื อ, พ, อพระนาขาขออภัยพระโลมาคนเนี่ยเหลือทันตะฟันก็คือกลมของแข็งทั้งหมดเนี่ยเหลือส่วนที่เหลือถูกไฟไหม้หมดนั่นนะก็จะเหลือก็ส่วนทั้งหลายเหล่านี้อันเดี๋ยวถึงพระพุทธเจ้าพระนามวาโคตมะแล้วจะได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ก็อธิษฐานให้กระจายไป ได้ยินว่าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูชินะชนะมานผู้ประเสริฐพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเส ศ, ศนิพานดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่อทิง้งชราและมรณะโดยสิ้นเชิงพระองค์ปรินิพานณนะพระวิหารใกล้ป่าที่หน้าเรื่นรมเนี่ยนะณนะกรุงอุสภาวดีราชธานี ส่วนรายเลยรายละเอียดที่เหลือก็ไม่มีอย่างอื่นอีกทีนี้ว่าถ้าหากว่าใครที่ศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราได้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์ล้วนแต่ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้ยวยองค์8ทุกพระองค์เลยนะพระพุทธเจ้าที่ปังคกรมีทางกรสารานางกรโกลธัญะมังคละพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแทงตลอดอริยสัจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะข้ามพ้นจาก วัตถุที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราควรจะมาปราลบก็คือการเจริญสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นประธานเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือสัมมาประธานสัมมาสติคือสติประธานสัมมาสมาธิคือฌานสี่นั้นการประชมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อแทงตลอด อริยสัจจะทำก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะนะเพระฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจควรที่จะสนใจก็คืออริยมรรคอันประกอบพุทธองค์8อริยมรรคอันประกอบพุทธองค์8ถ้าจะยอ่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้แนวทางหนทางที่จะบอกสอนศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถ้าจัดเป็นวิสุท ธ, ธิก็ได้วิสุท ธ, ธิเจ็ดประการ ก็ความย่นย่อของพระไตรปิฎกก็คือวิสุทธิมรรคที่เรียบเรียงอธิสีละสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็มาแบ่งทิ่ทิวิสุธทธิ เป็นต้นเนี่ยนะโดยลําดับนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาทําความรู้ทําความเข้าใจในเกี่ยวกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นวิธีข้อปฏิบัติในการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นมีหลากหลายเนี่ยนะมันควรที่เราจะศึกษาให้ให้ได้เข้าใจในแนวทางในวิธีการละละละหลายๆประการด้วยกันมันอย่าไปปฏิบัติถือเอาสูตรใดสูตรหนึ่งก็พอมันควรศึกษาหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ ผู้ควรแก่การตรัสรู้เพราะพระสูตรบางสูตรเน้นสัมมาทิฏฐิบางสูตรเน้นสัมมาสังกัปปะบางสูตรเน้นสัมมาวาจาเป็นต้นแต่ผู้ที่จะตรัสรู้ได้อริยมรต้องประชุมประกอบพร้อมไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญสัมมาทิฏฐิความรู้ในกรรมมสกตาความรู้ในอริยสัจสัมมาสังกัปปะกุศลเนกขมมะอกุศลกุศลสังกัปปะ3ประการสัมมาวาจาะนะสัมมาวาจา เว้นจากวาจีทุจริตสประการสัมมากรรมันตาเว้นจากกายะทุจริตสาประการสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาประธานสี่สัมมาสติก็คือสติประฐานสี่สัมมาสา ม, มาธิก็คือฌานสี่ดังนั้นการศึกษาพระธรรมเราก็ต้องศึกษาอริยมรรคอันประกอบเป็นเถระองค์8ไม่ถือเอามรรคข้อใดข้อหนึ่งเพราะว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งแล้ว ทำให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรา ก, ก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดนั้นการปฏิบัติเพื่อประชุมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่งตั้งเปิดเผยประกาศทําให้ง่ายอยู่แล้วมันสิ่งที่เหลือก็คือการใส่ใจตามการคิดตามการปฏิบัติตามการไข้ ค, ควรตามทําอย่างไรใจของเราจะเป็นไปตามคําสอนไลไปตามคําสอนคิดตามคําสอนให้บ่อยให้มากเพราะการประพฤติปฏิบัติ ทั้งกายวาจาใจเป็นไปตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือการปฏิบัติตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกับคําสอนอยู่เสมอว่าการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเรายังเป็นไปตามคําสอนไหมถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนจะได้แทงตลอดรถเดียวคือมิมุติรสเนี่ยนะอันสาหรับพุทธวง์ในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ท้ายที่สุดนี้คุณงามความดีบุญกุศลเหล่าใดที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในพุทธวงศ์ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกำลัง ให้ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าที่มีในปัจจุบันและให้ตรัสรู้อริยสัจสิ่งเดียวกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตรัสรู้นะขอให้ได้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาปฏิบัติตีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบในที่สุดก็ปฏิบัติทำนำออกจากวัฏทุกข์โดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้